ต้องบอกที่เคารพค่ะเราได้เวลาที่จะมาสนทนาธรรมกับท่านเพรบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะกันอีกแล้วคะ่ะน้ำสการกับท่านคะ่ะยาติเรืองานค่ะท่านเพรบุญค่ะวันนี้ดิฉันมีคําถามที่ไม่ได้มีใครส่งคําถามมาลักษณะที่ส่งไปตามเพียวธรรมะหรือว่าส่งทางโทรศัพท์แต่เป็นคําถามที่ดิฉันหยิบยกขึ้นมากราบเรียนถามท่านเองเพราะว่ามีผู้หยิบยกประเด็นเนี้ย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 อที่เขาก็มีความคิดว่าเขาจะทําถูกใช่ไหมเขาก็ทําถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งอื่นผิดนะถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องให้เปิดใจกว้างๆไว้ก่อนรอประการที่สองก็คือว่า เรารู้แล้ววันนี้ถูกแน่นอนอย่างศีลสมาธิปัญญามอระยะมรรคมีองค์แปดพุทธบัจนะถูกแน่นอนนะพระพุทธเจ้าเก่งมากเอาละถ้าเรายึดในสิ่งที่ถูกถ้ายึดนะอันนั้นน่ะผิดเลยค่ะเพราะว่าความยึดน่ะเป็นต้นเหตุของความทุกข์คุณยึดเมื่อไหร่นะผิดทันทีแม้แต่สิ่งนั้นถูกเหรอคะทำทั้งหลายที่เรากล่าวแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องปล่อยวางเสียเปรียบด้วย พ, วพุ่งแพ่อ่าพระพุทธเจ้าตรัสเองนะว่า ธรรมะที่พระ อ, องค์สอนเนี่ยก็ควรจะปล่อยวางซะเปรียบเหมือนเวลาคนเขาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมจะข้าแม่น้ํากุญยมติว๋วโอ๊ยฝั่งนี้มีอันตรายมีทั้งงูทั้งเพชฌฆาตคนที่บินได้เดินตามดินทั้งโจรเนี่ยจะมารุมฆ่าเราทํำยังไงเอาละมาถึงฝั่งแม่น้ําข้างนี้อันตรายข้างนู้นปลอดภยัยทำยังไงดีเอาเรารวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้แห้งมาปลูกเป็นแพแล้วก็ พยายามด้วยมือและเท้าข้ามไปได้พอข้ามไปเสร็จแล้วมันคิดว่าโอ้โหแพรนี้มีอุปการะแก่เรามากเอางี้แล้วกันเราจะแบกเข้าไปด้วยคุณโยมติ๋วคิดว่าเขาจะทํำไหมไม่ทำเขาไม่ทําอยู่ๆเขาก็วางไว้ตรงนั้นหรือไม่ก็ปล่อยให้มันลอยน้ําไปตัวเขาเองก็เดินไปอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันพ่วงแพรเนี่ยคือธรรมะธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนี่แหละเราบอกว่าเออคุณจะใช้พ่วงแพรเนี่ยก็อย่าบืดถือไม่ด้วยใหญ่ายยึดด้วยอย่ายึด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 ทดสอบว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะกล่าวสอนบอกสอนธรรมะที่โอ้โหเลิศหรูอลาัางการใช่ไหมที่ตรวจสอบแล้วว่าจริงเนี่ยถ้าคนที่ปฏิบัติเนี่ยคือสาวกเนี่ยที่ประกอบอยู่ด้วยอามิ t ก็มีที่ประกอบอยู่ด้วยนิรามิตก็มีคือที่ทำได้ก็มีที่ทำไม่ได้ก็มีพระองค์ก็ไม่รู้สึกขัดข้องใจเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนึกออกไหอย่างพระพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสาวกเทวทั์ก็มี พระอนนระานนท์ก็มีภาษาริบุตรก็มีคนที่ดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีพร ะ, ระเจ้าจะโกรธไหมแม้เธอทำไม่ดีไม่พอใจเธอปฏิบัติผิดมักไม่โกรธนะเพราะว่าโกรธเมื่อไหร่คิดไม่ดีเมื่อไหร่มีความพยาบาทเมื่อไหร่เอาคุณเดินออกนอกมากทันทีอืมค่ะคือในกรณีเช่นนี้เนี่ยเพอท่านบอกว่าไม่ให้ยึดแม้กระทั่งเป็นเรื่องธรรมที่ถูกต้อง อย่างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ฉันคิดว่าหลายคนฟังแล้วคงจะสงสัยเหมือนกันนะคะเอาแล้วจะทํำยังไงไม่ให้ยึดแล้วจะทําถูกเหรอให้ใช้ เ, เป็นที่พึ่ง <c oughs> ค่ะไม่ยึดตอนไหนยึดไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยหรือยังไงหรือว่าออืไม่ต้องเลยตั้งแต่แรกเนี่ยพอรู้แล้วใช้ใช้ไปปล่อยไปใช้ไปปล่อยไปหรือว่ายึดไว้ใช้ก่อนแล้วปล่อยทีหลังบทเพลงชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ในเนียนเงียบมากคุณโยมติว๋วพระพุทธเจ้าใช้คำว่าใช้เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งยึดนี่ไม่กวน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 ปวดใจฉันจะกระฟัดกระฟีดกระด้านกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรืออีกวิธการหนึ่งเขาก็จะร่ําให้คล่ําครนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพล่และมี2 อ, อย่างถ้าคุณยึดคุณจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมากล่าวตู่พระเจ้าคุณยึดพระพุเจ้าใช่ไหมคุณจะจีด๊ดคุณจะมีปัญหาคุณจะเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราใช้พระพเจ้าเป็นที่พึ่งจะทําไงเอเคเราไม่เดือดร้อนแต่เราก็อธิบายสิ่งที่มีเป็นไปตามจริงเท่านั้นเอง สบายไหมค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายึดให้ใช้เป็นที่พึ่ง ค, คนที่ยึดเนี่ยจะจะมีปัญหาเองค่ะท่านคะที่นี้อย่างกรณีในลักษณะเช่นว่า น, น, นะคะอ่ามันมีปัญหาข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าที่ทําให้คนที่มาสนทนากับทีฉันไม่สบายใจเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปเห็นว่าทําในสิ่งที่เหมือนกับเชื่ออย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างหนึ่งอืม นะคะแล้วก็ทำแบบเป็นวงกว้างนะเพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ทำแล้วออกสื่อเนี่ยออโอเคก็จะต้องฟังต้องฟังอย่างนี้ประเด็นที่สามนะเราพูดถึงประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของธรรมะใช่ประเด็นที่สองคือความยึดกับความใช้เป็นที่พึ่งประเด็นที่สามเนี่ยคือเมื่อเราเรามีความขัดเคืองขึ้นในจิตเนี่ยเห็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยเราเราจะทำยังไง ถ้าพระุทธาบอกอย่างนี้ถ้าเธอพอจะบอกสอนเขาได้ให้ออกจากอาบัติถ้าตรงนั้นเป็นความผิดนะตรงนั้นเป็น <c oughs> ความผิดเธอจะบอกสอนเขาได้ให้ออกจากความผิดนั้นเนี่ยให้เห็นอย่างนี้ว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การที่เขาจะออกจากความผิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญกว่าให้บอกเขาซ ะ, <c oughs> เ, ะเรื่องนี้เธอไม่ควรทํานะแต่แต่ข้างในเราเราต้องปล่อยวางนะข้างในเราต้องไม่มีปัญหาแล้วนะไม่หึมหึมอยู่ข้างในนะเราถึงจะบอกเขาได้ ก็คือความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้ปล่อยวางเสียแล้วบอกเขาแต่ถ้าเราบอกเขาแล้วเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาด้วยแต่ถ้าเราสามารถบอกให้เขาออกจากความผิดนี้ได้ให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเขาซะนี่คือขั้นตอนที่สองหรือขั้นตอนที่3ามเนี่ยถ้าบอกแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนมีความขัดเคืองด้วย ให้หาวิธีอื่นที่จะบอกนะแล้วก็บอกเอาซะแต่ถ้าบอกยังไงเนี่ยเขาเป็นคนไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราจะบอกได้เนี่ยก็ให้วางอุบเบกขาอ่านะประเด็นที่สามคือถ้าเราบอกเขาไม่ได้คุณวางอุบเบกขาซะค่ะคือดิฉันเข้าใจว่ามองโลกแบบเข้าใจว่าโลกใบนี้เป็นอย่างนี้คนเราไม่ได้มีชีวิตอยู่โดยลําพังก็ปเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะบทีหน้าที่การงานหรือสถานะที่เราเป็นอยู่เนี่ย อาจจะต้องยึดโยงกับสภาพแวดล้อมอืมแล้วสภาพแวดล้อมก็อาจจะนําพาให้เราต้องทําในสิ่งที่ทําไปเพราะจําเป็นต้องทําแต่ไม่ได้ทําไปเพราะเป็นความศรัทธาที่แท้จริงอันนี้ก็เปิดใจกว้างอันนี้หลายอย่างใช่ <c oughs> ค่ะมันมันอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นซึ่งดิฉันคิดว่าผลเสียผลดีมันเกิดที่ตัวผู้ทําำนะคะแต่หลังแต่ว่าในส่วนตัวอของดิฉันเนี่ยดิฉัน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 ตรงเรื่องของการที่เราจะพอใจหรือไม่พอใจน ะ, ะประเด็นประการที่ห้านะปร ะ, ประเด็นที่5ก็คือว่าถ้าเรายังมีความคิดที่เรียกว่ายกตนข่มท่านด้วยคุณคุณสมบัติคุณธรรมอะไรที่เรามีอันนี้คุณผิดไม่ใช่ผู้ปฏิบัติพุทรชาบอกว่ามีคุณธรรมที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติ ทำสมณะให้เป็นสมณะทำปรามให้เป็นปรามทำผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยคุณธรรม พ, พวกนั้นในพุระเจ้าพูดถึงเรื่องฮีริโอตัปศีนอะไอต่างๆนะแล้วก็ยกบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วนะเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดอย่างเช่นเรามีศีนอ่ะเรามีศีลดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ควรไม่ควรที่จะยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดฉันศีนดีกว่าเธอนะฉันยกตนข่มเธอล่ะแต่ผิดพุระเจ้าไม่เคยสอนอ่า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 เไม่ได้เป็นวินยัยไม่ได้เป็นอยู่ในหมวดวินยัยแต่เป็นอยู่ในหมวดที่ว่าถ้าเราต้องการจะพัฒนาตัวเองของเราให้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมันจะมีที่ละเอียดแล้วละเอียดอีกมีที่แตกชานช่ำชองไปมากขึ้นซึ่งตรงนี้พ <ขะ S 1> ระเจ้าก็บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านีนะ้ได้ตามถึงผลของการปฏิบัติแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกแต่มีสิ่งอื่นที่เตวยังต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกอยู่ค่<ข>ะก็เท่ากับว่าไม่ได้ผิดไม่ได้บาปเพียงแต่ว่าเสียหายมากนะ เพราะว่าจะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการพัฒนาตัวของเราพัฒนาจิตถูกไหมคะถูกต้องนะคะที่จะให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใกล้นิพพานมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อะไรที่เราเดินออกนอกมรรคเนี่ยคือเขวไปแล้วนะคุณไปทางอ้อมแล้วอท่านคะทีนี้สงสัยอีกเรื่องหนึ่งอ่ะคะ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนศีลดีส่วนใหญ่ก็จะมองทะลุนะคะว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดไปจะตักจะเตือนออือ ได้ไหมคะหรือว่าก็เข้าประเด็นที่หนึ่งที่ท่านบอกไปตอนต้นนั้นใช่ก็คือว่าถ้าเราจะเตือนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราหรือของเขาไหมกุศโลบายในการเตือนจะเป็นอย่างไรคนนี้เราอยู่ในลักษณะของคนที่เราพอจะเตือนได้ไหมอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้นะคะท่าน อ, อย่างกับเราติดตามตามสื่อเนะี่ยเราก็จะเห็นคนที่เป็นบุคคลดีสีสังคมมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป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 ไม่ถูกถามแต่เอามาเปิดเผยโอ้โหไม่ดีเป็นคนไม่ดีแต่ถ้ามีคนถามนะก็พูดนิดเดียวแต่ถ้าถามจังหน้าก็พูดนิดเดียวไม่ถามไม่พูดถามจังหน้าพูดนิดเดียวอันนี้เราจะเป็นคนดีนะสมาชิกสมาคมเมาส์นี่ลาบากเลยนะคะลำบากเลยคุณค<น>มเมา์จากเนี่ยสภากาแฟเนี่ยก็พูดเรื่องดีๆสิพูดเรื่องสมาวารานี่ยิ่งจะดี มาประชุมกันใช่ไหมสภากาแฟเมาส์เมาส์เรื่องธรรมะก็ได้พูดเรื่องปลาเรื่องความเปี่ยนพูดเรื่องประวัติบรรพชาพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการกเล่นการวิเวกหัวพูดได้ทั้งสิบหัวเรื่องยี่สิบเรื่องสําหรับบางคนนะคะดูเหมือนกับว่าเรื่องที่ท่านพูดยกตัวอย่างเนี่ยสูงส่งมากถ้าเปลี่ยนเอาแค่ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ว่ามาเมาส์เรื่องดีของคนอื่นอย่างนี้พอได้เลยคะอ่าเรื่องใดเป็นคุณของคนอื่นนํามาเปิดเผยให้ปรากฏเมื่อถึงแม้ไม่ถูกถาม แต่ถ้าถูกถามเนี่ยก็เล่าอย่างละเอียดลึกซึ้งพิสดารไม่ลดหย่อนค่อยเๆอันนี้เป็นคนดี ắng, จริงๆไม่ลดหย่อนแล้วเล่าเกินนะคะให้ดีเว่อร์หน่อยเอาไม่ได้สิก็เล่าไปตามแต่โดยรายละเอียดไงโดยรายละเอียด อ, อ๋อคะ่ะเดี๋ฉันนึกว่าถ้าในส่วนที่พูดถึงคนอื่นเนี่ยในทางดีถ้าบวกแถมขึ้นไปนี่จะดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนพูดก็พูดตามจริงไม่ได้ต้องพูดตามจริงนี่ความจริงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอ ผู้รู้ชาก็ใช้ใช้บทเพลงชนะตรงนี้ว่าโดยพิศดานบริบูรณ์โดยละเอียดนะโดยละเอียดคือพูดความข้อดีของเขาเนี่ยโดยละเอียดทุกขั้นทุกตอนอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ถูกถามนะก็เอาความดีของเขามาพูดถ้าถูกถามนะก็เล่าโดยละเอียดนึกคิดว่าในสิ่งที่ท่านได้สอนช่วงหลังเนี่ยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ถึงโทษนีคะของการที่ไปพูดถึงคนอื่นเราก็คิดว่าเออเขาก็ไม่รู้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 ในเรื่องของการศึกษาพุทธวัชน์เนี่ยหลังจากที่อัตมาศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปการปฏิบัติของพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นพุทธวัชนะเนี่ยเรายิ่งมีความสบายใจแลนะสบายใจตรงที่ว่าเรามองไปทางไหนเนี่ยเราไม่เห็นข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิน้นนะเรามองไปทางไหนเราก็สบายใจเราก็สมรมอินทรีย์จิตใจเราก็สบายมีสมาสังกปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณศึกษาพุทธวัชนะแล้วรู้สึกถึงเครียดในเวลาที่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจนะอันนั้นไม่ถูกต้องแก้ไข แปล ว, ว่าอาจจะรู้ถูกแต่ยังปฏิบัติไม่ถูกหรืออาจจะรู้ผิดอยู่ก็ได้ต้องมาทบทวนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าฟังในรายการนี้เราพยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่ถูกให้กับท่านเกี่ยวกับคำสอนของพระอาหารหันตะสัสมมาสัมพุทธเจ้าและนี่ก็คือช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระพภัยบูรอภปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะนวัส ก, การค่ะท่านอาจารย์